มงกุดไพรเล่มหนึ่งตอนที่183คราวนี้เสียงปืนจากฝ่ายนั้นก็ระดมกระหน่ำขึ้นเรากับประทัดวันตรุดไม่รู้ใครต่อใครยิงมาจากที่ไหนบ้างควันปืนพุ่งออกมาจากปากลำกล้องเห็นเป็นจุดอยู่ทั่ ว, วไปที่สามารถแยกประเภทได้ก็คือเสียงรัวถียิบเป็นจังหวะของเอ6 2บกสองกระบอกซึ่งแผ่เป็นชุดชุดชุดละ 4-5 นัดติดติดกันเรากับว่า โลกอีกส่วนนั้นจะเกิดภาวะสงครามสู้รบภาพที่เห็นเจ้าตัวที่รพินยิงไว้เริ่มหมุนตัวคว้างปัดเป๋ไปมาพร้อมกับร้องออกมาด้วยอำนาจเจ็บปวดและโกรธแค้นส่วนเจ้าตัวที่พุ่งเร็วเข้าหาคณะนายจ้างคงเล่นตะโพงแผ่นดินสะเทือนต่อไปราวกับว่าหากระสุนซึ่งมีทั้งไรเฟิลขนาดใหญ่หลายกระบอกและปืนยิงเร็วหาได้ระคายผิวมันไห ความจริงพวกนั้นระดมยิงเข้าไปถูกตัวมันทั้งสิ้นแต่ไม่ถูกตำแหน่งที่ตั้งของมันสมองหรือจุดที่จะล้มมันได้เห็นแต่จุดเลือดสีแดงที่ไหลทะลับออกมาแทบทั่วทั้งตัวทว่าหยุดความบ้าคลั่งของมันไม่ได้เลยสแตนลีย์ตะโกนสั่งการอย่างไรตอนนี้มีไม่มีใครฟังออกแล้วเพราะเป็นการยิงแบบอิสระตัวใครตัวมันเชิดวุกระนำเข้าไปจนหมดแม็กซิน แล้วควักกระสุนออกมาบรรจุใหม่อย่างตาลีตาเหลือกขณนที่มันพุ่งใกล้เข้ามาประมาณ 50-60 ถึงเมตรคิดกะเลงไปที่หัวอันใหญ่โตแต่เป็นเป้าเคลื่อนที่กดตูมออกไปเป็นนัดล่าสุดของกระสุนที่บรรจุอยู่ในชุดนั้นมองเห็นแต่เพียงเศษใบหูชิ้นเท่าฝ่ามือปลิวกระเด็นแวบในคิดพลาดเป้าหมายกลางศรีรษะไปตั้งร่วมวา เพราะความประมาตื่นเต้นขณะนั้นคริสติน่าก็วิ่งปราดขึ้นมากระชากไหลเชิดวุธผู้กำลังบรรจุกระสุนยอยู่โดยแรงจนพงะพร้อมตะโกนก้องถอยหลังออกไปก่อนตัวหล่อนเองเสียบแม็กสำรองอันที่สองกดคันบังคับลูกเลื่อนให้ปิดเข้าที่แล้วหวดออกไปทั้งชุด30นัดโดยกะยิงตั้งแต่ขาส่วนล่างของมันไล่ระขึ้นไปตามส่วนสูงเป็นเวลาเดียวกับที่เบลก็วิ่งเข้ามาสมทบ บัดขาคริสขมำความหน้าลงเพื่อไม่ให้บางทางปืนและ M16 ในมือของหลอนก็แผดตัวเป็นเสียงยาวเกลี้ยงฉาดทั้ง30นัดเช่นกันคราวนี้ได้ผลมันเริ่มหมุนตัวเอียงข้างให้แล้วพร้อมกับอาการร้องโอกเสียงยาวขายิ่งสามขาจะพระเปลี่ยนทิศทางและเมื่อนั้นเอง ที่เกิดเสยและจันก็ต่อเข้าไปตรงบริเวณศรีษะด้วยจุด375หแทบจะพร้อมๆกันแทนที่จะล้มลงในฉับพลันเจ้าช้างยักษ์ที่เจ็บครั้งแรกด้วยลูกปืนของบุญคำแค่ค่อยๆสุดตัวคูเข่าทั้งสีลงในขณะที่เลือดพุ่งกระฉูดทั้งตัวจนนับรูแผลไม่ได้เหมือนน้าพุอีกหลายคนที่กำลังจะเตรียมประเคนซ้ำเข้าไปก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะคิดวิ่งทยานปรีเข้าไปหา โดยลำหน้าทุกคนออกไปแล้วในมือของพันเอกแห่ง US a r สอารมีขณะนี้คือระเบิดเพลิงลักษณะเหมือนฐานไฟฉายซึ่งกระชากแถบนิรภัยออกมาแล้วคิดเฮ้ยอย่าเข้าไปทั้งเชิดวูลาสเตนลี่ร้องสุดเสียงขึ้นพร้อมกันมันช้าไปเสียแล้วหรือไม่ฉะนั้นคิดก็คงหูอื้อแบบคนเลือดเข้าตา ในนั่นวิ่งชติเข้าใส่อันเป็นเวลาเดียวกับที่ช้างยักษ์ที่เลือดโสมกายตัวนั้นทะยานพ ร, รวดขึ้นยืนแล้วหมุนตัวเข้าหาด้วยพลังช่วงสุดท้ายของมันคิดคว้างระเบิดสุดแรงเกิดในระยะที่ห่างกันเพียงไม่เกิน30เมตรเสียงกบหน้าสะเทือนคลื่นขึ้นแบบเดียวกับที่เคยผจนกับกองทัพหมาป่ามาแล้วแม่นยำสมกับเป็นมือพิฆาตในสนามรบมาก่อน ประกายไฟแดงฉานสว่างจนแสบตาของผู้ที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงมันกระจายเป็นลูกไฟขึ้นที่ต้นขาหน้าของเจ้าไดโนเทเรียมตัวนั้นแล้วลุกโชนสว่างพรึบติดหนังบริเวณส่วนทรงอกตลอดจนศีรษะแถบนั้นพร้อมกับกลุ่มควันเขียวคล้ำเจ้าสัตว์ในตระกูลโคดช้างจ้ำเบ้าขาหลังลงกระแทกพื้นจนแผ่นดินสะเทือน ไม่มีเสียงร้องแม้แต่คำเดียวที่จะหลุดออกมาจากลำคอของมันได้โดยการถูกเผาสดแบบฉับพลันทุกคนเห็นมันส่ายหัวไปมาในอาการเหมือนจะสะบัดอย่างทุรนทุรายและไม่ถึงอึดใจก็ล้มแต่แขงขาทั้งสี่สั่นไหวอยู่ริกริกในขณะที่ประกายไฟลุกลามเลียโชดช่วงเปลววุ้นของระเบิดพลังมหาปราัยกระจายไปยังกอหญ้าข้างเคียงและติดลุก เป็นจุดไฟพราวอยู่รอบอนาบริเวณไปหมดบางส่วนวุ่นวิตจะปลิวมาถูกตัวของคิดเองผู้ซึ่งยืนแยกเขี้ยวอยู่ในขณะนี้ทุกคนทางฝ่ายนายจ้างบัดนี้ยืนตะลึงดูในที่ต่างๆกันยังทำอะไรไม่ถูกรพินเองขณะนี้แม้จะอยู่ห่างไกลออกมาก็มองเห็นภาพเหตุการณ์ได้ชัดเสียงบุญคำโวยลั่นออกมาว่าธัมโมสังโฆ ใครล่อมันด้วยระเบิดไฟเข้าไปแล้วพรานใหญ่ไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรในขณะนั้นต่อไปได้ทั้งสิน้นเขากำลังตัดสินใจอยู่กับเจ้าตัวที่ถูกสกัดให้งุ่มงามปัดเปยอยู่กลางทุ่งและห่างรัศมีออกไปจากฝ่ายนายจ้างกลุ่มนั้นสำหรับเจ้าตัวย่อมเยาอันน่าจะเป็นลูกนั้นพระออกหันหลังวิ่งเปิดแนบไปแล้วเหลือแต่ไอตัวที่กาลังเจ็บซึ่งดูเหมือนจะพยายามลากสังขารตามลูกมันไป แต่เชื่องช้าอย่างหมดกําลังนายถ้านายไม่ยิงมันให้พ้นทรมานไปไอ้ฝรั่งพวกนั้นมันเผาด้วยระเบิดเพลิงแน่ๆ น, นายไม่ยิงบุญคํายิงเองลูกน้องมือขวาของเขาพยักหน้าให้ดูแล้วลุกขึ้นยืนประทับปืนระพินยืนตามในทันทีนั้นแล้วตบลากล้องไรเฟิลของบุญคําเงยสูงขึ้นมันก็พอดีกับที่เสียงปืนแกระเบิดสนั่น กระสุนนัดนั้นจึงแล่นขึ้นฟ้าไปอ้าวนายตะคำร้องลั่นอ้าป่าค้างเพราะถูกขัดขวางโดยไม่รู้ตัวมาก่อนปล่อยมันบุญคำรู้สึกว่าจะเป็นตัวแม่ของไอ้ลูกที่วิ่งอ้าวไปโน่นแล้วและตอนนี้มันก็กำลังพยายามจะหนีเขาพูดเร็วปรือมือยังคอยรั้งไห่เฟินของบุญคำในอาการห้ามอยู่เช่นนั้นส่วนตาก็จับจ้องไปยังเป้าหมายเบื้องหน้า แต่มันทำท่าจะไปไม่รอดแล้วนาะทิ้งไว้ก็ทรมานเปล่าบุญคำร้องบอกออกมาอีกแต่รพินสั่นศีรษะไม่หรอกมันไม่เจ็บมากอะไรนะักถ้าปล่อยก็จะรอดชีวิตได้ฉันแน่ใจว่ากระสุนของฉันทั้งสามนัดไม่เข้าจุดสาคัญที่จะทำให้มันถึงกับพิการหรือตายไปภายหลังเราจะฆ่ามันเฉพาะจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้เท่านั้นนั่นไง มันเริ่มวิ่งได้เต็มที่อย่างเดิมและกําลังวิ่งตามลูกของมันไปจึงอย่างที่พรานใหญ่ว่าเจ้าตัวใหญ่ที่ชาร์จเข้าหาฝ่ายมนุษย์ตัวแรกและนาดจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นตัวเมียบัดนี้ทรงกายได้ถนัดบนขาทั้งสี่และออกเล่นตามหลังเจ้าตัวย่อมไปอย่างเตลิดเปิดเปิงพร้อมกับส่งเสียงร้องไปด้วยแต่เป็นสำเนียงแห่งความตื่นตกใจและเจ็บปวด ไม่ได้เป็นเสียงคุก ค, คามอย่างดุร้ายเหมือนแต่แรกอาการที่วิ่งไปได้อย่างเป็นปกติรวดเร็วในสภาพพรานีของมันมีความคล่องตัวพอที่จะเชื่อได้ในสายตาชำนิชำนาญของพรานอย่างรพินและบุญคำว่ามันเพียงแต่บาดเจ็บบ้างเล็กน้อยเท่านั้นจะไม่สาหัสจนถึงกับพิการหรือไปทุกข์ทรมานภายหลังมากเกินไปนักและน่าจะคงชีวิตอยู่ต่อไปได้ ระยะที่มันหันหลังกลับผละและหนีตามลูกและเตลิดเข้าดงอย่างมีไหวพริบในการหลบภัยนั้นห่างจากฝ่ายนายจ้างอเมริกันที่พากันปักหลักยืนรอคอยอยู่มากพวกนั้นก็มองเห็นอาการของมันอยู่เช่นกันมีเสียงไรเฟิลขนาดใหญ่ระเบิดติดตามไล่หลังมันทั้งสองตัวอีกห้าหนัดแต่เนื่องจากระยะไกลและเป้าหมายเคลื่อนที่กระสุนที่ยิงตามหลังมาเหล่านั้นจึงเป็นเพียงการยิงไล่เท่านั้น แล้วชั่วไม่ขีดอึดใจต่อมาทั้งสองตัวที่ายหน้าตัดหนีเข้าดงก็าหายลับไปจากสายตาเห็นแต่ต้นไม้ย่อมย่อมไหวลู่เป็นทางคงเหลือเฉพาะสร้างเจ้าตั ว, ตวครอร้ายที่สุดซึ่งบัด น, นี้กลายเป็นกองเพลิงอยู่กลางทุ่งด้วยระเบิดไฟของคิดทั้งประกายไฟที่ลุกลามฮือท่วมและทั้งขวันตลบคลุ้งไปทั้งทุ่งพระเพนถอนใจเฮือก ป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงือ่อบนหน้าผากพึมพำออกมาไม่น่าเลยไม่น่าที่มันจะออกมาให้พวกนั้นเผาซสียทั้งเป็นแบบนี้เวซรซสีจริงๆอุตส่าห์ยิงส ก, กัดให้หยุดไว้ก่อนแล้วบุญคำมองหน้าเขาอย่างงงๆนายผิดไปกว่าตะกอนมากนะถ้าเป็นตะกอนนายยิงเรียบไม่มีเหลือถ้ามันพุ่งเข้าเล่นงานพวกเราก่อนแบบนี้เขาคว้าแขนบุญคา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 ถูกไฟลุกไหม้อยู่นั้นในระยะ30เมตรทั้งรพินและบุญคำก็สัมผัสกับไอไฟอันร้อนแรงจนแทบพงะเพราะทิศทางอยู่ใต้ลมถึงกับต้องเดินเปลี่ยนทางพระเลี่ยงอ้อมไปอีกด้านหนึ่งริเดชของระเบิดนาปามย่อส่วนของฝ่ายนายจ้างพวกนี้ทั้งเขาและบุญคำหนักซึมซาบอยู่แก่ใจดีแล้วเมื่อคราวงัดขึ้นมาใช้ตอนปะทะ ก, กับกองทัพหมาป่า ความร้อนของมันสูงจัดมากและจะไม่มีวันดับได้จนกว่ามันจะเผาตัวเองจนหมดเชื้อหรือจนกว่าสิ่งที่มันกำลังเผาอยู่นั้นจะละลายเป็นเท่าฐานหมดสิ้นไปแม้แต่กระดูกก็จะไม่มีเหลืออยู่ให้เห็นเราหยุดมันไม่ได้ด้วยลูกปืนคิดก็เลยต้องหยุดด้วยระเบิดเพลิงสแตนลีย์ตะโกนออกมา เมื่อเห็นพรานใหญ่ยืนหลบควันและไอไฟที่กำลังลุกท่วมอยู่ที่ซากใหญ่โตมโหฬาร น, นั้นด้วยดวงตาที่รีลงสีหน้าอาการของเขาบ่งบอกความไม่สบายใจนักทุกคนของฝ่ายนั้นพลูตรงเข้ามาที่เขาและบุญคำซึ่งเข้ามาสมทบทีหลังเป็นความผิดของผมและบุญคำถ้่หยุดมันลงไม่ได้ปล่อยให้มันวิ่งเข้าใส่พวกคุณเขาพูดแผ่วต่า แล้วหันมาสำรวจทุกคนเหมือนจะตรวจว่าอยู่กันครบเรียบร้อยดีหรือเปล่าเห็นเข้าหน้าของแต่ละคนอยู่ในสภาพปั้นยากที่สุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกเว้นจันเกิดและเสยซึ่งคนของเขาทั้งสามอยู่ในอาการปกติไม่ตื่นเต้นอะไรนักเนื่องจากเจ้าพวกนี้เคยพบช้างดึกดำบรรญ่ยักรประเภทนี้มาก่อนแล้วพอหันไปศบตาพวกนั้นก็แค่ยิ้มแห้งๆไม่เ อ, อ่ยอะไรในขณะนั้นทั้งสิ้น เพียงแต่ยกไรเฟิลจุด3าประจำมมือให้เขาดูเป็นเชิงเหมือนจะบอกให้ทราบว่าปืนประจำตัวของแต่ละคนอันมีหน้าที่คุ้มกันในจ้างนั้นมันแทบปราศจากความหมายโดยสิ้นเชิงเมื่อมาประจันหน้ากับสัตว์อันมีร่างกายใหญ่ยักษ์ขนาดนี้รบพินพยักหน้ารับรู้แล้วหันไปทางคิดบอกเรียบๆว่านายทาถูกแล้วคิด ที่ต้องหยุดมันให้ได้เสียก่อนที่พวกเราคนใดคนหนึ่งจะได้รับอันตรายไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามนายไม่ด่าอะไรชนนะตอนนั้นเราอยู่กันคนละทิศละทางครั้งแรกพวกเราพยายามจะยิงไล่ก่อนแต่หยุดมันไม่ได้จริงๆมันพุ่งเข้ามาอย่างจวนเจียนที่สุดระพินยิ้มให้คิดนิดหนึ่งไม่กล่าวอะไรเพียงแต่อื้อ ม, มือไปตบแขนนาย g ีเบาๆและประกาศกับฝ่ายนายจ้างทุกคน อย่าเสียเวลาเลยครับปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละสำรวจข้าวของประจำตัวด้วยใครทำอะไรตกหล่นไว้บ้างตามหาให้ครบเสียก่อนเมื่อครู่นี้ผมเห็นสับสนโอลแมนกันไปหมดจากคำพูดของเขาทำให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนหันมาสำรวจตัวเองคริสและเบลพบว่าวิทยุประจำตัวตกหล่นหายไปจากตัวจึงของวิทยุของดรสแตนลีย์กดคีย์เรียกตรวจหาไปตามพื้นบริเวณนั้น จันสั่งให้พวกลูกหาไปเก็บเข้าของสัมภาร ะ, ะที่ทิ้งไว้ในวิทยาทีฉุกเฉินบุญคำเกิดและเสยช่วยกันตรวจนับจำนวนลูกหาบแล้วพบว่าหายไปสองคนคืออูทาและพาโตสอบสวนทวนความกันในบรรดาลูกหาบที่ร่วมในเหตุการณ์สองสามคนยืนยันว่าเห็นเจ้ากระเรียงตะเคียนทองทั้งสองแผ่นแนบ หายลับไปทางดงข้างหน้าเพราะตกใจขีดสุดที่เกิดมาไม่เคยเห็นช้างที่ไหนมีลักษณะและขนาดรูปร่างใหญ่โตผิดธรรมชาติของช้างป่าที่เคยเห็นมาก่อนถึงขนาดนั้นกว่าที่เกิดและเสยจะรับหน้าที่ออกไปตามตัวโดยส่งเสียงกูตก่ตะโกนเรียกไปพรางแล้วฮิ้วเอาตัวเจ้าสองคนซึ่งหน้าตาแบบไม่เป็นผู้เป็นคนกลับคืนมาได้ก็เสียเวลาไปอีกร่วม20นาที ปรากฏว่าเจ้าสองกระเรียงหน่มที่ยอมตัวเป็นลูกหาบมาด้วยเพ่นไปซุกตัวหลบอยู่ในรูแคบๆระหว่างโขดหินขนาดใหญ่ทางด้านที่จะบ่ายหน้าเข้าดงทึบห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ150เมตรบุญคำต้องเข้าไปทำหน้าที่ปลุกปลอบขวัญและด่ามันอยู่ขมุงฉงเฉงแล้วนำตัวเจ้ากระเรียงตะเคียนทองเข้ามาพบพรานใหญ่ระพินเข้ามาลูปศรีรษะอย่างเวทนาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเมื่อมากับฉัน เขาพูดพร้อมกับยิ้มให้ร่างของอูทะและพัตโตอย่างสันเทิมอยู่ทั้งอูทะและพัตโตไม่ใช่คนขี้ขลาดและได้สู้กับอันตรายทุกอย่างมาแล้วอย่างกล้าหาญเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเราจำไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าวิ่งหนีแต่พวกออกไปตามลาพังอย่างเมื่อกี้เพราะถ้ารวมกัน อยู่เรายังช่วยกันได้แต่ถ้าแตกแยกออกไปเราจะช่วยกันไม่ทันเพราะมองไม่เห็นว่าใครไปอยู่ที่ไหนบ้างคริสและอิซาเบลดูเหมือนจะเข้าใจอะไรดีที่สุดในสภาพของเจ้ากระเหลี่ยงทั้งสองต่างเดินตรงเข้ามาหาทันทีเบลเป็นคนส่งกระติกบรันดีไปให้และบุ้ยบาย บ, ายบอกให้ทั้งสองคนดื่มอูธาเป็นคนรับไปถือมือสั่นอยู่ พอรพินพยักหน้าอนุญาตทั้งสองก็แบ่งกันกรอกเข้าปากคนละสองสามอึกอาการดูจะ ก, กระปรีก้กระปร่าขึ้นอุทะกับพัโตช่วยพวกนายรบกับกองทัพไอ้งาดำกองทัพผีมาแล้วอะไรอะไรก็ไม่กลัวแต่คราวนี้มันไม่รู้สึกตัวจริงๆเกิดมาไม่เคยเห็นช้างอะไรตัวมันใหญ่ทัพภูเขางางอกออกจากปากล่างรพินหัวเราเบาๆคริสถามว่า เขาว่าอะไรนรารพินเมื่อพรานใหญ่แปลให้เบลทั้งสองก็หัวเราะอย่างปราณีต่างคนต่างเข้ามารูปหลังเจ้ากระเร่งทั้งสองซึ่งตามปกติแล้วก็คุ้นเคยกันดีมาก่อนเพียงแต่พูดภาษากันได้ไม่เข้าใจเท่านั้นเว้นแต่จะผ่านล่ามของฝ่ายรารพินคนใดคนหนึ่งตอนนี้ไปถ้าตกใจจนควบคุมสติไม่อยู่หรือทาอะไรไม่ถูกอย่าวิ่งหนีไปโดยไม่รู้ทิศทางอย่างนั้น แต่จงวิ่งมาหาฉันหรือหาแหม่มผมแดงคนนี้ก็ได้วันนี้โชคดีมากที่เธอทั้งสองคนไม่ได้วิ่งเตลิดไปไกลนักไม่เช่นั้นเราจะต้องลำบากติดตามหาเธอกันเป็นภาระใหญ่อีกทีเดียวคริสบอกยิ้มยิ้มโดยพยักหน้าบอกให้รัพพินถ่ายทอดข้อความให้อูถายิ้มแห้งแล้งมองดูหน้าแหม่มผมทองบอกมาอ่อยๆว่า แม่มผมทองกับแม่มผมแดงใจดีและกล้าหาญมากแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวรอดไปได้นานแค่ไหนรพินไม่สนใจที่จะแปลข้อความให้ทั้งสองสาวฟังแต่เมื่อถูกถามมาอย่างคาดคั้นเขาก็บอกสั้นๆต่อไปว่าทั้งสองรับทราบและขอบคุณแล้วก็ถามมาว่าคุณทั้งสองเป็นยังไงบ้างล่ะผมรู้สึกว่าขวัญและกาลังใจดีมากเหลือเกินเบลบอกหัวรอดเสียงใส เงื่อยังเกาะพราวไปตลอดทั้งใบหน้าเราสองคนบัญชาชินเสร็จแล้วละ่ะมิสเตอร์ฮันเตอร์และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณรับอาสาที่จะหยุดมันไว้ก่อนโดยไม่ให้มันพุ่งมาที่เราแต่คุณก็หยุดมันไม่ได้จนกระทั่งพวกเราทั้งด้านนี้เกือบเละกันไปทั้งหมดอาจารย์คีธหรือเชิร์ดวุดและพวกพรานลูกน้องคุณจะยิงออกไปกี่นัดเราจาไม่ได้จาได้แต่เพียงเราสองคนตั้งสวิต์กด M16 ของเราเป็นฟลออโต และผลัดกันยิงรัวออกไปคนละหนึ่งแมกกาซีนรวมแล้วหกสิบนัดสภาพที่เห็นเหมือนเอาเข็มเล็กๆไปทิ่มแทงตามผิวของมันเท่านั้นโชคดีมากที่คิดตัดสินใจหยุดมันด้วยระเบิดเพลิงถ้าไมา่ ง, งั้นคุณช่วยเราไม่ทันแล้วพรานใหญ่ก้มศรีรษะรับอย่างสงบ ผมยอมรับว่าผมพลาดในเหตุการณ์ครั้งนี้และมันเป็นบทเรียนที่พวกคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าเมื่อวิกฤตการมาถึงจริงๆจะต้องไม่งอมืองอเท้าคอยผมแต่เพียงอย่างเดียวแต่สินใจช่วยตัวเองก่อนอย่างที่ได้ทําไปแล้วเมื่อกี้นั่นแหละถูกต้องแล้วแล้วอีกสองตัวฉันเห็นคุณกับบุญคําปล่อยให้แล่นเข้าป่าไปคริสถามระยะมันไกลเกินวิถีกระสุนที่จะหยุดมันได้ ฉันว่าคุณมีเจตนาที่จะปล่อยสองตัวที่เหลือให้รอดไปมากกว่าคุณอาจพลาดครั้งที่สองก็ได้นะในกรณีที่ควรจะถล่มมันลงเสียให้หมดกลับปล่อยให้มันเข้าไปในดงแบบนั้นซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้ไปคอยดักเล่นงานเราอีกได้อีกถ้ามันผูกพยาบาทหรืออาฆาตถ้าคุณหรือพวกคุณโมแต่คิดว่าจะต้องฆ่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขวางหน้า โดยไม่คิดจะหาวิธีที่ฉลาดกว่าคุณจะไม่มีวันฆ่ามันได้หมดสิ้นหรือชนะมันทุกครั้งไปหรอกในหนทางข้างหน้าแต่ก็เป็นการดีมากที่จิตใจของพวกคุณคิดสู้มากกว่าที่จะมามัวคิดท้อแท้ผละหนีกล่าวจบระพินก็ตบไหลสองกระเรียงอาสาสมัครซึ่งบัด น, นี้ขวัญและกำลังใจกลับคืนมาตามเดิมแล้วบอกให้มันเข้าไปประจาหน้าที่หาบหามรวมกับลูกหาบทั้งหลายตามเดิม แล้วส่งแมกกาซีน M16 แบบ30นัด2อันที่สองสาวโปรดทิ้งหล่นไว้กับพื้นเมื่อตอนประจันหน้ากับเจ้าช้างโบราณและลืมเก็บขึ้นมาซึ่งเขาเดินไปสะดุดเหยียบเข้าและเก็บมาเน็บเอวไว้ก่อนส่งคืนไปให้ทั้งสองบอกรบเรียบว่าเอา้าบรรจุเสียให้เต็มตามเดิมแล้วคราวหลังอย่ายิงรัวให้เปลืองกระสุนเปล่าถ้าเป้าหมายไม่ได้ห่างตัวคุณต่ํากว่าสิบหลาลงมาตั้งเป็นเกลืองอัตโนมัติ แต่กระดิกนิ้วให้รัวโดยยิงทีละนัดแต่ซ้ำเข้าไปให้ตรงจุดสำคัญจะได้ผลมากกว่าระหว่างที่คุณทั้งสองคนรัวหูดับตับไห้ผมขบุญคำนอนหมอบอยู่ในทิศทางเบื้องหน้าคุณเยื้อไปทางซ้ายหน่อยเดียวได้ยิงกระสุนปลิวผ่านหัวไปเป็นสายทีเดียวไม่มีอะไรน่าทุเรศเท่ากับว่านายจ้างยิงไปถูกพรานนาทางตายโดยไม่เจตนาเพราะขาดความรอบคอบระมัดระวัง ขนาดนัตสแตนลีคีดและเชิร์นวุฒซึ่งเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินได้แล้วก็พากันเดินตรงเข้ามาสมทบรพินจึงโบกมือเป็นสัญญาณกับพวกลูกหาบชี้เป้าหมายเบื้องหน้าให้ตัดเข้าดงแล้วนำเคลื่อนที่ต่อไปทันทีอย่างง่ายๆโดยไม่เอ่ยอะไรอีกทั้งสิน้นทิ้งซากช้างโบราณให้ถูกไฟลุกเผาพรานต่อไปอยู่ตรงตำแหน่งนั้นพอเริ่มเข้าเหยียบชายดง มองเห็นสภาพพื้นภูมิประเทศได้ใกล้ๆระพินก็บอกกับตนเองอยู่ในใจเงียบๆว่าเส้นทางของเขาไม่ผิดแล้วมันเป็นป่าลักษณะและประเภทเดียวกันกับที่เขาเคยผ่านมาในอดีตแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งเดิมก็ตามสภาพของสิ่งประกอบแวดล้อมอันเป็นต้นไม้พืชพันธุ์ภูมิประเทศที่แวดล้อมอยู่เป็นลักษณะของป่าในยุคไพรโอซีนไม่ผิดเพี้ยนไปเลย และเขาก็ไม่คิดว่าตนเองจะได้หวนกลับมาพบเห็นอีกวาระหนึ่งในชีวิตนี้แม้ว่าเส้นทางที่ผ่านมาแล้วนั้นจะบอกชัดว่าได้มีการไต่ที่ราบสูงขึ้นมาเป็นลำดับก็จริงอยู่แต่ป่าทึบบริเวณที่เขากําลังจะพาคณะทั้งหมดผ่านเข้าไปในขณะนี้มีลักษณะเป็นที่ลุ่มบนความสูงเหมือนแอ่งหรือกระทะอันกว้างใหญ่พื้นชื้นแฉะ บางแห่งมีน้ำขังต้นไม้สูงชลูดแต่ละต้นมีรากรโผล่ขึ้นมาเหนือระดับศีรษะของคนขึ้นไปและฝังรากลงไปบนพื้นอันเจิ่งน้ำซึ่งบางทีก็แลดูเหมือนบึงนั้นเงียบสงบจนน่าพิศวงไม่มีวิแววของสัพพสัตว์ใดๆของพิภพโลกในยุคปัจจุบันจะให้ค้นพบเลยรวมทั้งกลิ่นไอของอากาศก็แผกเพี้ยนไปหมดดุดก้าวผ่านทวารของยุคหนึ่ง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 ทุกคนดูเหมือนจะอยู่ในอาการตื่นตระึงต่อฉากภูมิประเทศที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเพราะมันผิดจากลักษณะของป่าทุกป่าที่ผ่านกันมาแล้วไปหมดทั้งสิ้นสแตนลีย์คีธอิซาเบลและคริสยืนรวมกันซุบซิบอะไรกันอยู่อย่างแผ่วเบารับผินนั้นยืนแม่มริมฝีปากดวงตาทั้งคู่รีเพ่งพินิจไปดูรอบอยู่บนเนินอันมีสภาพเหมือนคันดินเหนือพื้นน้ำโดยมีเชิดว ยืนอยู่ใกล้ๆด้วยส่วนพวกพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่คนรวมทั้งลูกหาบทั้งหลายก็แยกกระจายยืนกันอยู่เป็นจุดๆในระแวกใกล้เคียงกันบางคนยืนแช่อยู่ในพื้นที่คลุมด้วยน้ําสีชาลึกเพียงหน้าแข้งบางคนก็ยืนอยู่บนคันดินที่แห้งมองหน้ากันเองอยู่ไปมาแล้วก็เหลือบแรงมาทางจอมพรานซึ่งเป็นเสมือนที่พึ่งที่หวังของคณะทั้งหมดเพื่อรอฟังคําสั่ง ยังไม่มีใครกล้าขยับขยื่นอย่าแต่ต้องลำต้นกิ่งหรือใบไม้ใดๆโดยไม่จำเป็นในความเงียบนั้นทุกคนได้ยินเขาออกคำสั่งมาเป็นภาษาอเมริกันและภาษากเรเียงเพื่อให้เป็นที่เข้าใจของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายนายจ้างหรือลูกหาบเราจะเลือกเดินเลาะไปตามคันดินโดยจะไม่ท่องลุยไปในน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นทั่วๆไปที่เห็นอยู่นี่และจะไปด้วยกันเป็นหมู่คณะรวมกลุ่มทั้งหมด โดยจะไม่ให้ใครแยกเดินเดียวห่างไกลลับตาออกไปรวมทั้งตัวผมเองด้วยลักษณะของป่าผิดตาไปมากนะฮารพินสแตนลีย์เอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกฝนที่ตกมาเมื่อใกล้รุ่งของวันนี้ไม่น่าจะทำให้มีสภาพน้าขังอยู่บนพื้นทั่วไปเหมือนที่เราเห็นอยู่นี่เลยมันเหมือนจะเป็นป่าในที่ลุ่มต่ำหรือที่เรียกกันว่าป่าถล่มในเขตบึงกว้างใหญ่ จอมกคุเทศมองไปศบตาบุญคำแวบหนึ่งเห็นแก่ยืนทำหน้าลอกแรกอยู่บนขอบคันดินห่างเขาออกไปเล็กน้อยโดยไม่ยอมลงไปยืนแช่ขาอยู่ในน้ำเช่นกันบุญคำย่อมจะจำลักษณะของป่าเลนแบบนี้ได้ดีเท่าๆกับเขารวมทั้งจันเกิดและเสยด้วยชนิดที่ไม่อาจมีวันลืมได้เลยตลอดชีวิตครับเขาตอบรับคำต่ำๆอยู่ในลาคอ และทุกคนก็มองเห็นรอยยิ้มนิดหนึ่งผ่านไปบนหน้ากร้านกระด้างดุดหินสลักดวงนั้นฝนที่ตกเมื่อใกล้รุ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้น้ำฝนมาขังอยู่บนพื้นบริเวณนี้และนองเจิงท่วมอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้หรอกแต่มันเป็นสภาพของน้ำขังของป่าที่จมอยู่ในน้ำมาตลอดการของมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของพื้นภูมิประเทศเองซึ่งคงสภาพอยู่นิรันดร์การ ไพรวันถ้าถ่ายไม่ผิดเรากำลังเข้าสู่ภูมิประเทศใหม่ผิดไปจากทุกครั้งที่เคยพบแล้วนะถูกต้องไหมเวลซึ่งพอมีความรู้ในธรณีวิทยาอยู่บ้างร้องถามมาคุณมีความสังเกตและมีสัมผัสที่ดีมากโปรดดูที่ลักษณะของต้นไม้แล้วคุณจะรู้ได้เองว่ามันควรจะเป็นป่าในยุคสมัยใดผมเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะัก เพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยผ่านพบมันมาเท่านั้นและขณะนี้ก็กําลังพบเข้าอีกแล้วผมไม่อยากจะเชื่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเหมือนกับว่าได้หลับฝันไปแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้มันกาลังปรากฏอยู่กับสายตาอีกก็แปลว่าผมมุ่งหน้ามาได้อย่างถูกต้องกับที่กาหนดไว้แล้วเราควรจะต้องระวังอะไรบ้างโปรดให้พวกเรารู้ตัวล่วงหน้าจากประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมาแล้ว คริสอันควันบุหรีลึกจากก้นสั้นๆที่หล่อนดูดจนแดงวาบถามมาด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมความรู้สึกภัยจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆภัยจากสิ่งที่เป็นกึ่งพืชกึ่งสัตว์บริเวณอันเป็นแหล่งโครนดูดบางแห่งบางตอนเราอาจต้องเดินเป็นแถวเรียงเดี่ยว ตามรอยเท้ากันไปโดยไม่แยกออกนอกเส้นทางหรือบางแห่งอาจต้องมีการใช้เชือกมัดติดเอวกันไว้ทั้งหมดเพื่อว่าหากเกิดใครพลาดพรั้งอย่างใดก็จะได้ช่วยดึงฉุดกันได้ทันนายช่างทุกคนมองตากันเองอีกครั้งอดีตที่ผ่านผจญมาด้วยกันทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจในคำพูดสั้นๆของรพินได้ดีโดยไม่ต้องให้มีคาอธิบายมากไปกว่านี้ แล้วสัตว์หรืออะไรอื่นๆคิดยิงคคำถามมาบ้างอย่างรวดเร็วสัตว์ที่จะพบจะเป็นพวกที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากทราบพวกเจ้าโครงกระดูกในพิพิธภัณฑ์ของ prehistoric animals d n แต่ผมจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเราได้พบและขอภาวนาว่าอย่าให้พวกเราได้พบเลยในการมาครั้งนี้เอาละ ใครมีปัญหาอะไรซักถามผมเสียเลยจะได้รับรู้รับทราบไว้ก่อนเพราะผมเองก็ไม่คิดว่าเราจะเข้าถึงบริเวณอันเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัยนี้ได้อย่างรวดเร็วเกินคาดถึงเพียงนี้ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องซักถามอีกพวกเราจะทําตามที่คุณสั่งก็แล้วกันแต่ต้องการให้คุณอยู่ใกล้ๆเรามากที่สุดไม่ใช่วิธีเดิมๆคือแยกตัวห่างไกลออกไปด อ, อรแสนลี่สรุปสั้นๆ ผมรู้หนะ้าที่ของผมดีว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างในพื้นภูมิประเทศแบบไหนตกลงครับระยะที่เรากำลังจะเคลื่อนตัวต่อไปในป่ากลุ่มนี้ผมจะคุมอยู่เบื้องหลังใกล้ๆพวกคุณและเราจะเดินเกาะหมู่กันไปทั้งหมดเอาละก่อนจะเคลื่อนที่ขอให้ทุกคนตรวจสอบวิทยุมือถือประจำตัวด้วยว่ามันยังทำงานเป็นปกติดีอยู่หรือเปล่า โดยคำสั่งของเขาอเมริกันพวกนั้นปลดวิทยุประจําตัวที่เสียบติดเอวขึ้นมาตรวจสอบทันทีรวมทั้งเขาและบุญคําด้วยปรากฏว่าภาครับและภาคส่งของทุกเครื่องอยังใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมทุกอย่างพรานใหญ่ยิ้มออกมาอย่างพอใจบุญคําครับนายไปเดินนําอยู่ข้างหน้าเขาสั่งการโดยไม่ชักช้าเลือกเดินไปบนคันดินแห้ง อ้อมไปทางด้านขวามือไปเรื่อยๆก่อนทิศเหนืออยู่ทางด้านนี้ขณะที่เขาพูดชี้มือเป็นสัญญาณให้เห็นระหว่างเดินไปก็พยายามตีขึ้นเหนือไปเรื่อยๆหากมีความจำเป็นจะต้องบุกลุยไปในน้ำบ้างก็ทำได้แต่ให้บอกลวกหน้าเสียก่อนว่าจะต้องนำพวกเราลงลุยน้ำมีข้อกำหนดว่า น้ำที่เราจะลุยไปต้องไม่ลึกเกินกว่าระดับหัวเข่าเท่านั้นถ้ามันจะลึกกว่านั้นให้ปรึกษาเสียก่อนเข้าใจไหมบุญคำกระเดกน้ำลายลงคอฝืดๆแล้วยิ้มแย้ๆอ้อมแอมว่าเข้าใจนายถ้าเข้าใจทวนคำสั่งให้ถูกต้องแกทวนคำสั่งเขาแม่นยำเหมือนท่องจําเมื่อนั้นรบพินจึงพยักหน้าเป็นความหมายให้เริ่มปฏิบัติได้ ตะพานเท่าคู่ใจของเขากระโดดข้ามเนินดินกเกาะเหนียวตัวตามรากไม้ไตล่ลงหน้าไปจนกระทั่งไปยืนอยู่เบื้องหน้าของกลุ่มที่ยังยืนกันอยู่เกะกะไม่สู้จะเป็นระเบียบนักพรางตัวแกเองก็ร้องเร่งพวกลูกหาบให้จัดแถวเป็นเรียงหนึ่งโดยให้เจ้าพวกที่ยังยืนแช่น้าอยู่ขึ้นมาอยู่บนพื้นแห้งอันมีลักษณะคล้ายๆคันนาระพินกาหนดรูปแถวต่อไปในทันที ให้ขบวน ล, ลูกหาบอันมีอูทะและพาโตเป็นคู่แรกอยู่หลังบุญคำและอีกสีคู่ก็ให้เข้าขบวนกันเป็นลำดับต่อมาจึงถึงคีดซึ่งมีจันเป็นพี่เลี้ยงตามหลังถัดมาเบลมีเกิดอยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นคริสอันมีเสยคุมอยู่ใกล้ๆจากนั้นจึงเป็นตำแหน่งของหัวหน้าคณะด็อกเตอร์สเตนลีย์แล้วก็เชิร์ตวุและเขาเป็นผู้ปิดท้าย ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ารูปขบวนอย่างรวดเร็วด้วยระเบียบวินัยอันดียิ่งเดินเขาสั่งการออกไปยังบุญคำและทุกคนและเมื่อนั้นขบวนทั้งหมดจึงเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งแสงสว่างในดงมีไม่มากนะักแต่ก็พอจะมองเห็นอะไรได้ถนัดพอสมควรเพราะเหนือศีสา ข, ขึ้นไปยังพอจะมองเห็นท้องฟ้าอยู่บ้างจากสภาพของกิ่งไม้ ที่ไม่ถึงกับแผ่ปกคลุมมิดชิดเกินไปนักเนื่องจากคณะทั้งหมดยามนี้เลาะเรียบอยู่เพียงชายดงก่อนก้าวขาเขาเห็นบุตรชายท่านนายพลเหลือมองตาเขานิดหนึ่งรับพินจึงเอื้อมมาจับไหลไว้บุคคลทั้งสองเป็นคู่ที่อยู่ใกล้ชิดกันที่สุดโดยถัดไปเบื้องหน้าเป็นสแตนรลี่ซึ่งก็ไม่ห่างออกไปนัก เชิดวุธนั้นเงียบกริบไม่มีคำพูดใดๆกับเขาเลยนับตั้งแต่ประจันหน้ากับช้างไดโนเทเรียมที่ชายทุ่งแล้วคุณขรึมเครียดไปมากตั้งแต่เจอเจ้าช้างยากนั่นเขากระซิบอ่อนโยนกระแสะเสียงรักใคร่ปรานีเชิดวุฒเอามือมาจับฝ่ามือที่วางบนไหล่ของตนฝืนยิ้มไม่ต้องห่วงครับพี่พวกนั้นไปไดถึงไหนผมก็ไปไดถึงนั่น โดยเฉพาะถ้ายัางมีพี่เป็นกับตันทีมอยู่แบบนี้ผมรู้ว่าทุกคนกลัวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นพวกอเมริกันทั้งหมดเด็กๆของผมและแม้กระทั่งผมเองแต่เราจะกลับอำนาจความกลัวนั้นให้กลายมาเป็นสติสัมปชัญญะอันรอบคอบและความไม่ประมาทต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะผ่านมันไปได้ผมแน่ใจว่าพวกเราจะต้องสาเร็จ อเมริกันสี่คนสองคู่นี่มีอะไรให้พี่ต้องหนักใจบ้างไหมครับเดี๋ยวนี้ระยะเดินทางแรกๆผมยอมรับว่าหนักใจมากในพวกเขาทั้งหมดจากความที่ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าพวกเขาไปกับเราได้อย่างสบายแม้กระทั่งคีดเองซึ่งดูว่าจะนอกคอกและไม่ประสีภาษาอะไรมากที่สุดในคณะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้ากับพวกเราทุกคน และเคยชินต่อสถานการณ์ร้ายๆได้ดีเยี่ยมแล้วผมไม่ชอบใจอะไรอยู่อย่างหนึ่งเมื่อครู่ใหญ่นี้ช้างโบราณตัวนั้นถูกพวกเราระดมยิงจนเลือดสมไปทั้งตัวแล้วและกำลังจเะเบนผาดหนีแต่ไอ้คิดก็ยังพุ่งเข้าไปเล่นงานด้วยระเบิดเพลิงเผามันทั้งเป็นอย่างเลือดเย็นที่สุดเชิดวุฒกระซิบแผ่วเบาระพินตบไหลเชิดวุดเบาๆอย่างปลุกปลอบใจ อย่าไปตำหนิอะไรเขาเลยครับคิดอาจถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนเขาอาจตื่นเต้นเกินไปและมีความกลัวอยู่มากก็เป็นการถูกต้องแล้วที่เขาต้องหยุดมันให้ได้เฉียบขาดเพราะก็ยังไม่แน่ว่ามันจะเบนตัวหนีหรือเบนเข้าใส่อีกและในระยะติดพันแค่นั้นถ้ามันหวนกลับเข้าใส่อีกครั้งจะอันตรายมากเราถือหลักที่ว่าจะไม่ราวีรบกวนอะไรก่อนในสิ่งที่เราพบ แต่ถ้าถูกจู่โจมเราต้องยุติลงให้ได้อย่างเฉียบขาดการมัวลังเลอาจก่อให้เกิดผลเสียได้ตั้งแต่ลูกหาบของผมสองคนเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคราวรเผชิญกับมันตรยผมจะไม่ยอมให้พวกเราคนใดต้องตายจากไปอีกเลยถ้าตายก็หมายความว่าตายด้วยกันหมดทุกคนถ้ารอดก็ต้องรอดด้วยกัน ผมมีความรู้สึกว่าพี่เองอยากยิงไล่มันเสียมากกว่าเพราะพี่ไม่อยากจะฆ่าเจ้าพวกนี้โดยอาจยึดถือหลักอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าถ้าพี่ต้องการจะล้มมันจริงๆมันก็น่าจะคว่ำลงไปตอนที่พี่กับลุงคำยิงแล้วเมื่อมันผ่านพี่กับลุงคำมาได้ก็ต้องมาเจอเกับลูกปืนน้บไม่ท่วนเท่ากับเป็นการสั่งสอนซ้าและผมเห็นว่ามันกาลังบ่ายหัวจะหนีแล้ว เชิญวุดบ่นตามความรู้สึกแท้จริงของเขาแต่ระพินบอกมาว่าระยะที่ผมยิงมันไกลเกินไปครับและตัวมันก็ใหญ่มากกระสุนพลาดจากจุดสำคัญมันก็เลยยังไม่ล้มทั้งๆที่ความจริงผมก็ต้องการล้มมันลงให้ได้ในกรณีที่มันชาร์จเข้าหาพวกเราส่วนใหญ่ทั้งหมดในสภาพนั้นเพราะฉะนั้นทางฝ่ายคุณไม่จาเป็นจะต้องเพียงขับไล่มัน แต่ต้องยิงหรือทำอะไรก็ได้ให้มันยุติความดุร้ายลงโดยเร็วไม่ต้องไปต่อว่าอะไรคิดหรอกนะครับผมขอร้องขณะนั้นสแตนลีย์ก็ลดฝีเท้าลงมาเพื่อให้ทั้งสองกระชั้นชิดเข้ามาอีกกลายเป็นเดินรวมกลุ่มทั้งชุดรั้งท้ายอยู่ด้วยกันสามคนบุตรชายท่านนายพลจึงยุติการซุกซิบกับประพินลงแค่นั้น ถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้ผมได้รับทราบไปบ้างนะรัพินและวุฒหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นเบาๆอย่างร่วมวงสนทนาด้วยระหว่างที่เดินเรียงแถวกันไปเป็นการพูดโดยไม่ต้องหันหน้ากลับมาแต่เดินตามกันไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรหรอกด็อกเตอร์นายทหารหนุ่มบอกเรียบๆรัพพินคุณเคยผ่านบริเวณนี้มาก่อนหรือสังเกตดูคุณจะคุ้นกับภูมิประเทศของมันมากเฉพาะบริเวณนี้ไม่เคยผ่านครับ แต่ภูมิประเทศที่เหมือนเมือนกันอย่างนี้เคยผ่านมาก่อนแล้วเป็นลักษณะเดียวกันทุกอย่างผมคิดว่าเราจะพบมันอีกในสองสามวันข้างหน้าแต่ก็ปรากฏว่าได้เข้าถึงเขตของมันเร็วกว่ากำหนดที่หวังไว้มากอันน่าจะแปลว่าเราเข้าสู่จุดหมายได้เร็วขึ้นอีกถ้าพบสัตว์ที่เราไม่เคยคาดฝันประเภทใหญ่ยักษ์เหมือนกับไอ้ช้างโบราณพวกนั้นเข้าอีก ผมเป็นห่วงเรื่องปืนของเราที่จะหยุดมันลงได้คงไม่ต้องห่วงในเรื่องนั้นหรอกครับด็อกเตอร์เพราะระเบิดเพลิงของพวกคุณริดเดตมันร้ายกว่าลูกปืนตามปกติธรรมดาหลายร้อยเท่านักไม่ว่าอะไรถ้ามันมีเนื้อหนังบางสามันก็ไม่อาจทนทานต่อการถูกเผาสดๆไปได้ขอเพียงอย่างเดียวอย่าให้สเกตวุ้นของระเบิดมันปลิวมาถูกพวกเรากันเองเท่านั้นจึงมีข้อแนะนาว่า หากจำเป็นจะต้องใช้งานมันจริงๆก็ไม่ควรใช้ในระยะประชิดเกินไปนักผมยังไม่ทราบว่าในน้ำมันจะยังลุกไหม้ได้หรือเปล่าประโยคหลังเป็นการอยางหางเสียงอย่างเรียบๆและแสดงท่าทีของความจริงใจโดยปราศจากเล่ห์ลิ่มใดๆทั้งสิ้นหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ตอบคำถามของเขาว่า ในที่ที่เป็นสุญญากาศจริงๆเท่านั้นที่จะระงับการลุกไหม้ของระเบิดชนิดนี้ได้การลงไปแช่น้ำหรือคลุกอยู่ในดินโครนไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเกิดอุบัติตะะเหตุขึ้นมาจริงๆสำหรับพวกเรากันเองโดยมีสเก็ตวุ้นแต่เพียงส่วนน้อยปลิวกระเซ็นมาถูกและลุกติดขึ้นเราก็มีสเปรย์สหรับที่จะฉีดดับมันลงได้เหมือนกัน แต่เนื้อหนังบังสาบริเวณที่ถูกไหม้ก็คงจะเป็นแผลสาหัสชะกันไปแล้วเชิดวุดสวนโดยเร็วก็ยังดีกว่าที่จะมองเห็นพวกเรากันเองถูกย่างสดเผาทั้งเป็นโดยไม่มีอะไรช่วยเหลือได้เลยไม่ใช่หรือตัวยาดับเพลิงมีลักษณะเป็นยารักษาบาดแผลที่ถูกไฟไหม้โดยตรงด้วยสภาพเป็นโฟมเหมือนฟองสบู่ใช้ฉีดจากกระป๋องเล็กๆที่มีพลังอัดดันสูงพุ่งไปไกลได้ถึงสิบล้า และจะกระจายปกคลุมพื้นที่โดยรอบต่อเป้าหมายในพื้นที่สามตารางหลาหมายถึงท่วมตัวของบุคคลที่ถูกไฟไหม้ถ้าเราสามารถฉีดดับได้ทันเวลามันก็จะไม่เกิดบาดแผลอะไรมากมายเกินไปนักแปลว่าพวกคุณก็มีติดตัวกันมาด้วยระพินถามต่ำๆมาจากด้านหลังสุดแทนคำตอบใดๆสแตลลี่ Stanley, เอามือล้วงขยุกขยิกไปที่กระเป๋ากางเกงด้านหน้า อันบรรจุอะไรต่ออะไรไว้โปง่งตรงแล้วยื่นส่งกระป๋องสเปรย์ชนิดหนึ่งขนาดกระทัดรัดสูงเพียงสีนิ้วมีเส้นรอบวงไม่เกิน3ามนิ้วครึ่งดูผัดผาดเหมือนสเปรย์ฟองสบู่สำหรับทาก่อนโกนหนวดหรือไม่ฉะนั้นก็สเปรย์เครื่องสำอางยื่นส่งมาให้เชิดวุธแล้วบอกให้ส่งต่อไปอยังรพินอีกทีหนึ่งพลางบอกว่าเพื่อความสบายใจคุณเก็บไว้ก็แล้วกันรพินเพราะคุณนั่นแหละ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 รับมาพิจารณาดูแล้วหันมองหน้ารพินนิดหนึ่งพร้อมกับส่งให้พูดลอดไรฟันออกมาดังไม่เกินกระซิบร้ายกาดมันมีลูกเล่นค่อยๆโผล่มาให้เห็นไม่มีที่สิ้นสุดให้ตายเถอะทำไมมันไม่บอกเราซสก่อนว่าพวกมันมีน้ำยาดับเพลิงชนิดนี้ไว้คอยแก้เก็บเงียบเลยทีบแม่งลงน้ำซะดีหรือพี่ คำพูดของเชิดวุธที่มีกับรพินสแตนลีย์ฟังไม่ถนัดนะักจับกระแสความไม่ได้เพราะอยู่ในสภาพอุบอิบเจอมพรานยิ้มออกมานิดหนึ่งแล้วตบไหลในพันตรีหนุ่มให้สะกดกลั้นอารมณ์ไว้เชิดวุธแย่เขี้ยวจ้องมองทางด้านหลังหัวหน้าคณะของฝ่ายอเมริกันอย่างเขม่นเต็มที่อยากจะเตะให้กลิ้งลงไปจากคันดินสูงที่พากันเดินเข้าแถวเรียงเดี่ยวกันไปนั้นให้ตกน้าเสียรู้แล้วรู้รอด และถ้าไม่มีรับพินคอยคุมหลังอยู่ด้วยขณะนี้ก็คงจะเอาเข้าแล้วพรานใหญ่กดไหลนายทหารหนุ่มรุ่นน้องไว้แน่นเชิงบังคับไม่ให้แสดงปฏิกิริยาเดือดดานชุนเฉียวอะไรออกมาเชิดวุธจึงสะกดกลั้นโทสะไว้เงียบเฉยขณะที่ภายในเดือดอยู่ปุดปุดรัพินรับมาพิจารณาอย่างรอบคอบสิ่งที่บรรจุอยู่ในกระป๋องอลูมิเนียมชนิดหนากระป๋องนั้น ไม่มีข้อความอะไรที่จะชี้บ่งบอกให้ทราบเลยนอกจากตัวย่อสองสามตัวและเลขหมายรหัสเขาเดาะขึ้นลงเบาๆในมือระหว่างที่เดินไปด้วยกันแล้วก็ถามเรียบๆต่อมาพวกคุณมีติดตัวกันอยู่ทุกคนหรือครับด็อกเตอร์ถ้าพวกเขาไม่ประมาทกันจนเกินไปนักก็ควรจะมีติดตัวกันไว้เผื่อกันอุปบัติต ะ, ะเหตุอย่างที่คุณว่านั้นขึ้น แต่ความจริงผมก็ได้สั่งให้เอามาจากสัมภาระส่วนกลางมาเก็บไว้ที่ตัวของแต่ละคนไว้แล้วตอนที่แจกระเบิดเพลิงให้ไปในคืนที่หมาป่ามันยกทัพโจมตีเราในคืนนั้นแต่คุณก็ไม่ได้ให้ผมหรือพรานใหญ่ระพินเลยทั้งๆ ท, ท, ที่พวกคุณก็ให้ระเบิดชนิดนี้แก่เราเชิวดวุฒิคำรามออกมาทําท่าเหมือนจะยกเท้าถีบหลังอเมริกันอาวุโสผู้เดินอยู่เบื้องหน้า แต่รพินกระชากไหล่ไว้อีกจนเซมากระทบเขาสุภาพบุรุษไพรใช้มือดึงคอเสื้อนายทหารรุ่นน้องไว้โดยไม่ยอมปล่อยรั้งให้มาเดินอยู่ใกล้ๆเบื้องหน้าเขาโดยเว้นระยะห่างจากสแตนลีพอสมควรป้องกันไม่ให้เชิดวุธบุ่มบามทำอะไรลงไปด้วยความโมโหเลือดร้อนสแตนลีจับหางเสียงไม่พอใจของนายทหารไทยได้แต่ไม่สนใจอะไรคงเดินไปเบื้องหน้าตามหลังเสย ซึ่งเป็นคนถัดไปตามรูปแถวที่จัดไว้เดิมปากก็ตอบคำถามมาเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นว่าเห็นว่ายังไม่จำเป็นก็เลยยังไม่ได้บอกให้รู้ถึงโฟมดับพิษระเบิดชนิดนี้และสภาพการใช้ระเบิดคว้าชนิดนี้ของเราก็เป็นการใช้ไกลตัวอยู่แล้วคงไม่มีใครใช้ในระยะประชิดจนสเก็ตของมันปลิวมาถูกพวกกันเองหรอก แต่เมื่อระพินตั้งเป็นข้อวิตกสงสยัยก็เลยบอกให้ใครกังวลไม่ได้มีเจตนาซ่อนเร้นปกปิดอะไรถ้าปิดก็คงไม่บอกให้รู้ตลอดไปคุณอย่าเอาแต่ฉุนเฉียวหรือคิดอะไรเลยเถิดไปนักวุธเมื่อคืนที่หมาป่าบุกโจมตีระพินเอ่ยขึ้นชนิดพอที่จะได้ยินไปถึงแซนลี่เบลตะเวนหนีออกนอกบริเวณแคมป์ผมเป็นคนตามเธอออกไป ขณะนั้นพวกเราส่วนใหญ่ในแคมป์กำลังใช้ระเบิดชนิดนี้ถล่มฟูงหมาป่าอยู่และไฟลุกท่วมรอบด้านไปหมดจนผมกับเบลจะถูกคลอกตายอยู่กลางวงล้อมของไฟมีสะเก็ดวุ้นของระเบิดเพลิงที่พวกคุณคว้างออกมากระเด็นเฉดเราสองคนไปอย่างหวุดหวิดรวมทั้งหัวลูกปืนที่พวกคุณยิงกราดออกไปรอบด้านผมไม่กลัวลูกหลงจากปืนหรอกเพราะพอจะหาที่หลีกหลบได้ แต่ที่กลัวที่สุดในคืนนั้นก็คือสเกตวุ้นจากระเบิดชนิดนี้เพราะมันปลิวไปกระทบอะไรมันก็ลุกติดขึ้นที่นั้นอย่างน่ากลัวที่สุดขณะนั้นผมไม่เห็นท่าทีเลยว่าเบลจะมีสเปรย์สำหรับดับเพลิงชนิดนี้อยู่กับตัวและไม่เคยพูดถึงในเรื่องนี้เลยจากคืนนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำให้ผมเกิดความหวนวิตก และสยดสยองมาตลอดเวลาเกี่ยวกับระเบิดชนิดนี้ว่าหากภายในคืนนั้นทั้งตัวผมหรือตัวเธอเองบังเอิญไปถูกเข้ากับสะเก็ดวุ้นของระเบิดที่พวกคุณใช้คว้างออกมารอบทิศโดยเราสองคนเคราะร้ายถูกสะเก็ดของมันเข้าจะตกอยู่ในสภาพเช่นไรผมคิดว่าเบลมีติดตัวอยู่ในขณะนั้นด้วยนะแต่ความตกใจต่อเหตุการณ์และการที่กาลังพะวงที่จะหนีเขี้ยวหมาป่าอยู่ ทำให้อาดหมดสติหลงลืมเสียก็ได้เดี๋ยวผมจะถามให้และฟังเสียงดูว่าเบลจะตอบว่ายังไงคุณก็เห็นเห็นอยู่นะว่าเรายังไม่ได้มีการนัดแน่อะไรกันอเมริกันอวุโสพูดแล้วยกฟุทยุ ข, ขึ้นเสียงเรียกของเขาเจาะจงไปที่อิซาเบลผู้เดินอยู่ในกลุ่มข้างหน้าและทุกคนในกลุ่มสามารถได้ยินทั่วถึงกันหมดเมื่อลอนตอบรับมาสตานลีย์ก็ถามว่าสเปรย์สหรับดับพิษไฟจากระเบิดเพลิง ฉันได้สั่งให้คิดเอาออกมาแจกไปยังพวกเราประจําตัวไว้แล้วทั้งสี่คนตั้งแต่คืนที่หมาป่าบุกโจมตีคืนนั้นเธอมีอยู่ติดตัวหรือเปล่ายังมีค่ะอาจารย์เสียงใสของแม่ผมแดงตอบมาทางวิทยุปเป็นปกติคืนนั้นคืนที่เธอเกือบตายและเพ่นออกนอกแคมป์ระหว่างพวกหมาป่าโจมตีและระพินติดตามเธอออกไปด้วยจนกระทั่งไปหลบพักอยู่ใต้เทวไลรูปสิงโตหมอบ สเปรดดับพิษระเบิดเพลิงก็ยังอยู่ที่เธอถูกต้องไหมก็ยังอยู่กับฉันในขณะนั้นด้วยอาจารย์ถามทำไมคะจะให้ฉันเอาออกมาฉีดดับไฟที่กำลังลุกไหม้ป่ารอบตัวเราอยู่นั่นน่ะหรือมันจะเป็นไปได้ยังไงสารเคมีชนิดนี้เรามีไว้สำหรับการช่วยเหลือแก้ไขขณะที่มันเกิดอุบัติเหตุเสื้อผ้าหรือร่างกายพวกเราคนใดถูกระเบิดเพลิงลุกติดขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่มีไว้สําหรับดับไฟที่กําลังไหม้ทั้งป่าเพราะมันทําไม่ได้แล้วในขณะนั้นหรือเวลาต่อมาเธอไม่ได้บอกให้รัพินรู้เลยหรือว่าถ้าพวกเราเกิดอุบัติตเหตุขึ้นจากไฟชนิดนี้เราก็มีเคมีดับพิษไฟได้ฉันไม่ได้บอกเขาและเห็นว่ายังไม่จําเป็นอะไรที่จะต้องบอกในเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เขาก็ไม่เคยถามเอ๊ะมีอะไรหรือคะอาจารย์ ประโยคหลังหล่อนเสียงสูงอย่างแสดงอาการประหลาดใจลักษณะของเขาดูคล้ายจริงหุดหงิดและไม่สบายใจนะเมื่อเพิ่งจะมาทราบเอาในขณะที่ฉันบอกเดี๋ยวนี้ว่าเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะแก้ไขได้หากเกิดอุบัติเหตุสำหรับพวกเราเกี่ยวกับสะเก็ดระเบิดเพลิงไม่เฉพาะระพินเท่านั้นเชิดวุฒก็มีความรู้สึกเช่นนั้นด้วยฉันจึงอยากจะให้เธอช่วยอธิบายให้เขาทั้งสองคนนี่หายข้องใจเสียทีว่า ความจริงนั้นเราไม่ได้มีอะไรที่จะปิดบังเขาอีกแล้วในเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดที่เป็นอุปกรณ์ติดตัวพวกเรามารวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของพวกเราด้วยเสียงแบลอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งและหัวเราะออกมาอย่างเปิดเผยไพร์วันมีอะไรที่คุณข้องใจพวกเราอยู่อีกหรือฉันว่าคุณอย่าไปคิดในเรื่องไร้าสาระคอยจับไว้จับพริบเราไปหมดทุกอย่างจะดีกว่าเราร่วมตายกันมาถึงขนาดนี้แล้ว จะต้องให้ฝ่ายเราบอกกับคุณซ้ำๆอยู่อีกสักกี่ครั้งว่าชีวิตพวกเราทั้งหมดขอฝากไว้กับคุณไปไกลเกินกว่าเหตุแล้วคราวนิรพินเริ่มจรงรุนหิตขึ้นมาจริงๆร้องตอบพุ่นๆออกไปผมยังไม่ได้แสดงอะไรเลยสักนิดว่าไม่พอใจหรือระแวงแคลงใจอะไรพวกคุณเกี่ยวกับคนพบว่า ไฟคุณมีเคมีสำหรับที่จะดับพิษไฟนรกของพวกคุณเองได้ซึ่งมันก็ช่วยให้เกิดความอุ่นใจขึ้นเสียอีกในกรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องมือช่วยแก้ไขได้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจารย์หรือหัวหน้าคณะของคุณมีความรู้สึกที่ร้อนตัวไปเองเท่านั้นเห็นแก่พระเจ้าบริเวณที่ล้อมรอบตัวเรานี่นะมันคงนรกอยู่แล้วอย่าให้เกิดเรื่องหาเหวอะไร ในความนึกคิดแง่ไม่ดีของฝ่ายนายอีกเลยนะรพินขอร้องเถอะเสียงในคิดดังอ้าวๆออกมาในลักษณะสะบทหุบปากดีๆอยู่แล้วนี่หว่าคิดอย่าเสือโวยวายอะไรขึ้นมาหน่อยเลยพรานใหญ่เขาไม่ได้สนใจอะไรในเรื่องหาเหวที่เองว่านั่นหรอกข้าเองตาหากที่โมโหแล้วก็มีเหตุผลที่จะโมโหด้วยเองแจกระเบิดให้ข้ากับรบพินด้วย แต่กลับไม่แจกสเปรย์เคมีสําหรับดับเพลิงให้ที่พวกเองสี่คนมีการครบมือมันแปลว่าอะไรเองจะแก้ตัวว่าเองลืมก็ไม่ว่าอะไรแล้วยุติแค่นี้อย่าเสือกต่อความยาวสาวความยืดหรือพูดอะไรให้แสลงหูกันอีกเชิดวุธตะโกนดังลั่นออกไปในบรรยากาศเงียบนั้นเมื่อนั้นเองคริสตินาผู้เดินอยู่ด้านหลังของเกิด และด้านหน้าของเฉยก็ปรีกตัวเอ็นกายเบี่ยงออกจากแนวทางเดินแคบแคบนั้นพยักหน้าให้เฉยเดินผ่านไปเสียก่อนแล้วทำสัญญาณให้สแตนลี่ผู้ตามมาผ่านไปอีกคนกระซิบเบาๆว่าขออนุญาตให้ฉันได้พูดอะไรกับวุฒและพรานใหญ่หน่อยเถอะค่ะวัวหน้าคณะเข้าใจอาการของหลอนจึงเดินตามหลังเฉยแทนที่หลอน คริสรอจนกระทั่งเชิดวุฒเดินหน้ามุยมาถึงหลอนจึงเดินอยู่ใกล้ๆบุคคลทั้งสองซึ่งเป็นบริเวณรังท้ายสุดเชิวุฒนั้นกำลังหน้านิ้วคิ้วขมวดแต่สำหรับรพินสีหน้าเหมือนหินแกะสลักของเขาอันเป็นบุคลิกประจำไม่ส่อความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นหลอนยิ้มให้แก่ทั้งสองพูดด้วยเสียงเบาอ่อนโยนกรุณาอย่าคิดอะไรมากได้ไหมคะทั้งสองคนทั้งคิดและอาจารย์อาจลืมไปก็ได้ ที่ไม่ได้มอบสเปรย์เคมีสําหรับดับไฟจากระเบิดไว้ให้แก่คุณทั้งสองเพราะลองย้อนนึกไปถึงสภาพในวันนั้นมันเกินเหตุการณ์ที่เร่งด่วนฉุกกระหุกเหลือเกินและที่มอบระเบิดให้คุณทั้งสองไปก็หวังเพียงแค่เพื่อให้ป้องกันตัวเองและช่วยพวกเราทั้งคณะยังไม่มีเวลาพอที่จะคิดถึงเรื่องอื่นใดถ้าหากสะเกตวุ้นของมันปลิวไปถูกคุณทั้งสองคนหรือถูกลูกห่าบคนใดคุณคิดหรือว่าเราจะไม่ช่วยดับให้ โปรดมองเห็นถึงความจริงในเรื่องนี้แล้วผ่านปัญหาข้องใจที่ไม่น่าจะเกิดเป็นปัญหานี่ไปเสียเถิดฉันขอร้องนะคะวุฒและคุณสุภาพบุรุษไพรวันโดยเฉพาะคุณไพรวันซึ่งถ้าคุณไม่ลืมเสียเองก็คงจำได้ว่าฉันได้ปรวรณาฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วสิทธิผู้ซึ่งจะไม่มีวันคิดร้ายใดๆกับครูได้เลยในทุกวิถีทาง คำพูดของหล่อนแผ่วเบาจริงแต่เช่มช้าชัดเจนและมีความหมายออกมาจากจริงใจดวงตาสีฟ้างามมองดูทั้งสองอย่างขอร้องวิงวอนลืมเยเถอะคริสทางด้านผมไม่มีปัญหาอะไรเลยพรานใหญ่ตอบยังไม่สนใจอะไรอีกและดุลหลังเชิดวุธที่กำลังหยุดยืนอยู่ให้เดินหน้า นายทหารหนุ่มจับต้นแขนแม่นักเคมีฟิสิกผมทองเอาไว้บีบหนักหน่วงเหมือนจะส่งความหมายแห่งหัวใจของตนผ่านการสัมผัสชนิดนั้นไปให้หล่อนได้ทราบถึงความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในขณะนี้เอาละไม่ต้องกังวลหรอกคริสผมเชื่อคุณส่วนครูของคุณที่คุณบอกว่าได้ยอมฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วคนที่เดินตามเราเงียบเงียบอยู่ข้างหลังนี่ก็ยิ่งไม่ต้องห่วง เขาไม่ได้สนใจอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆไร้สาระนี่อยู่หรอกสิ่งที่เขาพะวงหนักอยู่ในขณะนี้ก็คือเขาจะนำทางพวกคุณอย่างไรเพื่อให้ได้ผลสําเร็จและพวกเราทุกคนปลอดภัยเท่านั้นขอให้รู้ไว้ด้วยว่าคุณกับผมเป็นสิทธิ์ที่มีอาจารย์คนเดียวกันแล้วคุณฉลาดมากที่ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นมงคลสําหรับตนเองอย่างที่สุดพยายามประพฤติปฏิบัติตัวตามที่ครูสั่งสอนนั้นเถิด คุณจะรอดพ้นจากภัยพิบัติทุกอย่างในเส้นทางเดินมรณะนี้ฉันแน่ใจว่าฉันจะเป็นสิทธิที่ดีที่สุดของเขาคนหนึ่งและจะไม่ทำให้ครูต้องยุ่งยากเดือดเนื้อร้อนใจเลยฉันสาบานแล้วหล่อนเน้นประโยคมันมีกระแสะแห่งความเศร้าลึกๆเจือปนอยู่ด้วยในคำพูดนั้นโดยเชิดวุฒไม่อาจสำเนีกได้บุรุษเหล็กผู้เดินคุมขบวนทั้งหมดอยู่เบื้องท้ายสุด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 แล้วขณะนั้นเองเสียงบุญคำซึ่งเดินนำอยู่เบื้องหน้าก็ดังออกมาจากลำโพงของวิทยุทุกคนที่เปิดสวิตอยู่นายข้างหน้าถังตันซะแล้วมีทะเลสาบกั้นอยู่ลักษณะมันเหมือนทะเลสาบมรณนะที่เราเคยผ่านมาครั้งก่อนแต่เป็นคนละด้านกันจากคำรายงานด้วยน้ำเสียงตื่นๆนนั้นทำให้ทั้งคณะไหวตัวจากสภาพที่เดินตามกันไปในลักษณะแถวเรียงเดี่ยวนั้นทันที พรานใหญ่สั่งการออกไปทางวิทยุว่าหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนบุญคำฉันจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้กล่าวจบเขาก็แทรกตัวเบียดกลุ่มที่กำลังยืนนิ่งกันอยู่นั้นมาโดยเร็วตรงขึ้นไปยังหัวแถวอันมีมือขวาของเขากำลังยืนคอยอยู่ก่อนแล้วก็พบว่าบริเวณที่บุญคำกำลังหยุดยืนเอามือป้องดูอะไรเป็นแห้งเจียอยู่นั้นเป็นบริเวณพื้นดินที่โคกกว้างประมาณ20ตารางเมตร เหมือนหัวเกาะที่โผล่ขึ้นกลางพื้นน้ำอันแวดล้อมอยู่โดยรอบและเส้นทางเดินก็มาสะดุดชะงักอยู่ตรงนี้จริงๆเพราะถ้าก้าวลงไปอีกก็คือบริเวณพื้นน้ำซึ่งในระยะ 20-30 เมตรแรกๆก็พอจะมีต้นไม้ยืนต้นแช่น้ำอยู่แต่เมื่อห่างไกลออกไปกว่านั้นก็เป็นยอดของวัชพืชทีท่งอกขึ้นในน้ำห่างออกไปอีกจึงมีสภาพของทะเลสาบ แลรีปิวๆออกไปสุดสายตาจนกระทั่งจรดทิวเขาสลับซับซ้อนแลเหมือนภาพวาดและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่เมฆ ร, รพินก้าวสวบเข้ามายืนเคียงข้างบุญคำจ้องเขมงไปยังภูมิภาพด้านหน้าอย่างพิเคราะห์ใคร่ครวญหนักขณะนั้นเกิดเสยและจัน์ก็เข้ามายืนรายล้อมอยู่รอบเบื้องหลังของเขาชุมนุมกันอยู่เป็นกลุ่มและอันเนื่องจากเป็นบริเวณพื้นที่กว้างพอประมาณ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 ต่างจับสายตามาที่เขาเป็นจุดเดียวอยู่ก่อนแล้วนายเสียงจันร์กระซิบแผ่วต่ำขณะนี้เจ้าพรานคู่ใจอันเปรียบเสมือนแขนซ้ายยืนอยู่ประชิดตัวเขาคนละด้านกับบุญคำเห็นจะไม่ผิดไปหรอกมันต้องเป็นทเลสับมรณะที่เราเคยผ่านกันมาแล้วแน่ๆเพียงแต่ว่าเราโผลออกมาพบคนลราฟังกับครั้งที่เราเคยโผลออกมาพบในครั้งน้น พระพินเอาหลังมือเช็ดเหงื่อจากปลายจมูกดวงตาเป็นประกายประหลาดเกิดเสยเรองสองคนมีความเห็นว่ายังไรพอจะจำอะไรหรือเห็นที่สังเกตหมายตาได้บ้างไหมเกิดพยายามมองสิ่งแวดล้อมทั้งใกล้ๆและไกลตัวไปรอบด้านอย่างใช้ความคิดและเรียกร้องความทรงจำเก่าๆแล้วพึมพำออกมาว่า สภาพภูมิประเทศมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับนายเพียงแต่ว่ารูปร่างของภูเขาที่จรดท้องฟ้าอยู่โน่นมันผิดจากที่เราเคยเห็นไปบ้างเท่านั้นก็โผล่ออกมาคนละมุมคนละทิศรูปร่างทิวเขามันก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนี่ว่าเกิดเสีย ง, งเจ้าเสยแย้งมาพระพิยงกระชากกล้องสองทางไกลที่บุญคากาลังพยายามสองมองออกไปยังทิวเขาไกลริบจรดขอบฟ้า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 ทุกคนเห็นว่าไม่เคยมีครั้งใดที่มัคุเทศนำทางจะพินิจพิดดูภูมิประเทศบริเวณใดด้วยอาการช่างใจนานถึงเพียงนี้มาก่อนมันนานเสียจนพวกลูกหาบที่แบกของอยู่ลงนั่งพักปรงของชั่วขณะเกือบห้านาทีทุกคนก็เห็นเขาลดกล้องลงและหันมาบอกกับฝ่ายนายจ้างเรียบๆว่าเอาละครับเรานั่งพักตรงนี้กินอาหารมื้อกลางวันกันได้แล้ว เลยเวลามาตั้งเกือบสามชั่วโมงพวกคุณทุกคนคงหิวและเหน็ดเหนื่อยมากพรางเขาก็ส่งสัญญาณพักให้แก่พวกลูกหาบรู้บนเนินดินเหมือนเกาะเล็กๆนั้นทุกคนเปิดกระป๋องเสเบียงแบบเรชั่นที่ได้รับการแจกจ่ายจากฝ่ายนายจ้างเอาไว้ก่อนขึ้นมากินรองท้องเพียงเพื่อประทังชีพและสะสมพลังงานที่สูญเสียไปของร่างกายลักษณะล้อมวงนั่งรวมกลุ่มกัน ระพินคุณพอจะมีข่าวดีอะไรบอกให้พวกเรารู้ได้บ้างแล้วสแตนลี่ก็พูดขึ้นขณะที่ช่องเขานิ่งระพินกำลังนั่งเอาหลังพิงรากไม้ขนาดใหญ่หันหน้าออกไปยังทะเลสาบมือใช้ปลายมีดพับเล็กๆแคะเนื้อกระป๋องใส่ปากเคี้ยวชา้ชาๆแต่ดวงตาคงจับอยู่ที่ทิวเขาอันเป็นฉากหลังของพื้นน้ำที่สนิทนิ่งราวกับแผ่นกระจกนั้นไกลลิบออกไปย้อนถามมาในระดับเสียงปกติ รู้ได้ยังไงครับว่าเป็นข่าวดีจากประสาทสัมผัสของผมเองและจากสิ่งที่ศึกษาเรียนรู้มาจากธรรมชาตินิสัยของคุณมาก่อนคือถ้าคุณอยู่ในอาการขรึมสงบไม่แสดงยินดียินร้ายอะไรเลยก็แปลว่าสถานการณ์ของพวกเราอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเกณฑ์ดีขึ้นแต่ถ้าคุณเริ่มยิ้มหัวเราะและเริ่มพูดอะไรให้เป็นที่ขบขันสาหรับพวกเราเมื่ อ, อไหร่ เมื่อนั้นหมายถึงสัญญาณอันตรายที่ใกล้เข้ามาตอนนี้ผมเห็นอาการอย่างแรกของคุณจึงคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดียิ่งถ้าคุณบอกให้เราพักกินอาหารได้แบบนี้ก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นรระพินเปลี่ยนสายตาจากภูมิประเทศไกลโพ้นเบื้องหน้าหันมาสบตาด็อเตอร์สแตนลีย์แล้วยิ้มให้นิดหนึ่งทาให้สีหน้าอันเย็นกระด้างอยู่ตลอดเวลาแลดูมีชีวิตชีวาสดใสขึ้น ผมเพิ่งจะมารู้ตัวเอาตอนนี้เองว่าผมได้ถูกคุณศึกษาในด้านความรู้สึกนึกคิดมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้วิธีวิเคราะห์เอาจากอากับกิริยาท่าทีของผมนี่ผมไม่รู้สึกตัวเอาเลยจริงๆว่าผมได้เป็นอย่างที่คุณว่าครับถูกต้องผมมีข่าวค่อนข้างดีที่จะเรียนให้ทราบแต่ไม่ก่อนหน้าที่จะถูกเราถามเบลสอแสขึ้นอย่างติง พรานใหญ่หัวร่อเบาๆผมกะ ว, ว่าจะเรียนให้ทราบภายหลังเราเสร็จอาหารมื้อนี้แล้วและเตรียมออกเดินทางไม่ได้คิดที่จะปิดบังไว้ตลอดปลายหรอกแต่เรากำลังรอฟังอยู่นะเพื่อนยากเค้กกระตุ้นมาอีกคนขณะที่เอื้อมมือมาตบเข่าเขาแต่คนที่เคยทันเท่าความคิดภายในของเขาและมักจะเป็นฝ่ายยิงคำถามอยู่เสมอคือคริสตีน่า บัดนี้หล่อนกลับสงบนิ่งเฉยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นๆตนเองคอยสดับฟังอยู่อย่างเดียวอย่างคนฉลาดลึกขณะนี้เราทั้งหมดกําลังอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมรณะอนันเป็นเป้าหมายที่ระบุบอกในแผนที่โบราณซึ่งผมเคยเดินทางมาในครั้งก่อนระพินบอกกับทุกคนด้วยหางเสียงราบเรียบปกปิดความพอใจยินดีเอาไว้โดยไม่ให้ปรากฏออกมาเด่นชัด พร้อมกันก็ชี้มือไปอยังทิวเขาห่างไกลออกไปทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาส่องกล้องอยู่นานก่อนหน้าการสั่งให้คณะทั้งหมดหยุดพักชั่วคราวทิวเขาที่เราเห็นอยู่นั่นคือทิวปีครุดผมเชื่อแน่ว่ามันต้องไม่ผิดไปอย่างเด็ดขาดและถ้ามันถูกต้องกับที่ผมมั่นใจนี้หลังทิวปีครุดออกไปทางด้านตะวันออกก็จะเป็นภูเขานินลกา จากภูเขาในรรการตัดที่ราบสูงทางด้านเหนือขึ้นไปอีกไม่เกิน3ถึง4วันเราก็จะเห็นเทือกพระศิวะสูงทยานยันฟ้าอยู่เบื้องหน้าหลังเทือกพระศิวะนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของเราคุณหมายถึงมรกรนครดินแดนสนธยาที่คุณเคยไปตามตัวคนหายสาบศูนย์กลับคืนมาได้และดินแดนที่คุณเชื่อมั่นว่าเครื่องบีหของเราไปตกที่นั่น หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลีย์สวนมาโดยเร็วทุกคนเห็นพรานใหญ่ก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งครับถูกต้องตำแหน่งที่ผมไปตามคนหายสาบสูนได้ตัวกลับคืนมานั่นแหละคือตำแหน่งที่ผมแน่ใจที่สุดว่าเครื่อง b ี2ตกและไม่อาจสำรวจหาได้ทางอากาศของพวกคุณเพราะความลี้ลับอาถรรพ์เหนือกฎเกณฑ์แห่งโลกปิดบังไว้บัดนี้โดยการติดตามมาทางภาคพื้นดิน ความหวังของเราที่ครั้งแรกเป็นเพียงแค่งเงาเลือนลางได้ผุดเป็นภาพเด่นชัดขึ้นแล้วความพิติตื่นเต้นปรากฏขึ้นในอากัปกิริยาและสีหน้าของสแตลลี่คีตเบลและคริสอย่างเห็นได้ชัดยกเว้นเชิดวุฒเท่านั้นที่คงเงียหูฟังทุกคนที่โต้ตอบกันด้วยอาการสงบวิเศษพระเจ้าเข้าข้างเราแล้วขอให้มันเป็นความจริงเถอะ แซนลี่ร้องออกมาด้วยความดีใจเมื่อครู่นี้ฉันสังเกตเห็นพวกพราลูกน้องของคุณซุบซิบ ป, ปรึกษาอะไรกันอยู่อาการเหมือนจะโต้เถียงกันและคุณเองก็อยู่ในอาการลังเลอยู่นานทีเดียวก่อนจะสั่งให้พวกเราพักเบลถามมาด้วยความสงสัยคนของผมรวมทั้งตัวผมเองด้วยอยู่ในภาวะงงเมื่อมองเห็นทะเลสาบแห่งความตายเพราะครั้งก่อนที่เราเดินทางมานั้น เราเห็นภูเขาฝั่งตรงข้ามตรงกับแผนที่ลายแทงทุกอย่างคือเป็นรูปลักษณะเหมือนนกอินทรีใหญ่กำลังกลางปีกพงาดอยู่แต่การโผล่ออกมาพบกับทะเลสาบแห่งเดียวกันนี้ในคราวนี้เรามองเห็นเทือกเขาเปลี่ยนลักษณะไปจึงทำให้เกิดการโต้เถียงกันว่ามันจะเป็นทะเลสาบอันเดียวกันหรือไม่แต่ผมได้พิเคราะห์แล้วมันก็คือทะเลสาบแห่งเดียวกันนั่นแหละ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 ภาพมันจึงเปลี่ยนลักษณะไปบ้างต่างไปกว่ามุมที่เราเคยเห็นมาแล้วเดี๋ยวผมฟังคุณพูดอยู่นี่ก็ยังงงงงอยู่สแตนลีย์พูดโดยเร็วพร้อมทั้งยกมือขึ้นคุณหมายถึงว่าตอนที่คุณพบเห็นทิวเขาปีกครุดในคราวก่อนนั้นพวกคุณได้โผล่ อ, ออกมาทางด้านทิศใต้ของทะเลสาบและมองข้ามทะเลสาบออกไปทางด้านเหนือจึงมองเห็นภาพทิวเขาเป็นรูปอินทรีกลางปีก ถูกต้องไหมถูกต้องพวกเราในขณะนั้นโผล่ออกมาจากด้านใต้ของทะเลสาบและมองข้ามทะเลสาบเป็นแนวตรงไปยังทิวเขาที่อยู่ทิศเหนือแล้วขณะ น, นี้คุณว่าพวกเราเข้ามาถึงทะเลสาบทางด้านตะวันตกครับถ้างั้นคิดร้องออกมาเฮาเฮาจ้องตาเข้าเขมิงโดยถือเอาทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลาง ถ้าทิวที่เราเห็นริบๆอยู่นี่เป็นทิวเขาปีกครุฑจริงๆมันก็ต้องอยู่ทางด้านทิศเหนืออยู่วันยังค่ำใช่ไหมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือนายสงสัยอะไรพันเอกแห่ง US Army ผู้เชี่ยวชาญในการบินหันไปมองดูขุนเขาสลับซับซ้อนอีกครั้งเหมือนจะคำนวณหาทิศแต่การเดินทางอย่างวกไปเวียนมาทำให้นายคิดชักจะงงทิศเสร็จแล้ว จะอาศัยลำแสงของตะวันขณะนั้นก็แฝงตัวปกคลุมอยู่ในเมฆทึบทำให้สังเกตอะไรไม่ได้เลย พ, พึมพาออกมาเอชักสับสนเสียแล้วสิทิศเหนืออยู่ทางด้านไหนกันแน่ว่านายเป็นนักบินตะบักตะบวยอะไรวะถึงหลงทิศได้ง่ายๆแบบนี้เชิดวุธว่าแล้วแบมือออกไปทางหน้าของคิดกลางฝ่ามือของนายทหารไทยคือเข็มทิศเดินป่า เข็มที่แต้มพายน้ำเขียวเรืองเอาไว้ซึ่งจะต้องชี้เหนืออยู่ตลอดเวลานั้นมันสั่นไว้อยู่ริกรกิและชี้ไปทางด้านที่มองเห็นเทือกเขาอยู่ในขณะนี้โดยไม่ยอมหมุนไปทางด้านอื่นทั้งสิ้นไม่ว่าเชิดวุฒิจะสั่นไว้มือกัดแกงเช่นไรเห็นแล้วหรือยังด้านเหนือมันก็คือด้านที่เข็มข้างซึ่งแต้มพายน้ำชี้ไปนี่แหละมันชี้ไปที่ทิวเขาริบ หลังใบหูเองโน่นทิวเขาอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบจริงๆด้วยทุกคนยกเวนรพินและคริสจะโงกหน้าเข้าไปดูเข็มทิศในฝ่ามือของเชิดฟุตแล้วคลางออกมาเป็นเสียงเดียวกันอย่างตื่นเต้นเข็มเหนือชี้ไปยังทิวเขาที่เราเห็นอยู่โน่นถูกต้องแล้วก็พากันงันไปชั่วขณะจิตคริสสบตารพินเป็นครั้งแรกเอ่ยถามเบาๆว่า ในลายแทงเก่าแก่ของคุณที่ใช้เป็นแผนที่ประกอบการเดินทางในครั้งนั้นนอกจากทะเลสาบที่เรียกว่าทะเลสาบมรณะนี้แล้วยังมีทะเลสาบหรือลักษณะอื่นใดที่ใกล้เคียงกับทะเลสาบนอกเหนือไปจากนี้อีกบ้างไหมทะเลสาบอันกว้างใหญ่สุดหูสุดตาอย่างนี้มีปรากฏอยู่แห่งเดียวเท่านั้นในลายแทงเก่าเขาตอบ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 ไม่ว่าลูกปืนหรือการเดินทางนำเข้าหาจุดเวลร้องออกมาเอ็ดอึงอย่างดีใจขีดสุดเชโกกตัวเข้ามาจุ๊บแก้มพรานใหญ่โดยแรงชนิดที่เขาไม่รู้ตัวแล้วกอดคอเขยา่าพระพินนั่งตัวแข็งวางสีหน้าไม่ถูกเพราะมันต่อหน้าต่ อ, ต, อตาหมู่คณะทั้งหมดคนเหล่านั้นอาจไม่คิดอะไรทั้งสิ้นในอาการแสดงความยินดีอย่างเปิดเผยเป็นการเองของแม่ผมแดงแต่พรานใหญ่รู้สึก พิพักพิพ่วนอย่างไรบอกพ้ถูกโดยเฉพาะต่อหน้าพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองของเขายิ่งฉุนกึกขึ้นสมองเมื่อได้ยินเสียงตบมือหัวรอชอบใจดังลั่นมาจากตาเท่าบุญคำพร้อมทั้งแหกปากบอกมาว่านั่นต้องอย่างงาั้นแมมเบลนายรพินพามาจนเห็นช่องทางสำเร็จอยู่จักกะแหลนแค่นี้แล้วต้องให้รางวัลหอมแก้มแกแรงๆหน่อยแล้วไอคาละ่ะ ไอ้คาเป็นคนนำทางเดินหน้ามาพบทะเลสาบเข้าก่อนนาะอิซาเบลหัวเราะชอบอกชอบใจลุกขึ้นทันทีเดินปรีไปยังแกพร้อมกับบอกปนหัวเราะร่าเริงว่าไม่เป็นไรถึงบุญคําฉันก็จะต้องให้รางวัลเหมือนกันมานี่อ้าวหนีทำไมตาบุญคําตกใจไม่นึกว่าแหม่มจะเอาจริงถึงขนาดนี้เพนพรวดออกไปสุดตัวร้องจักด้วยความตกใจ โอ้ยแ ม, ม่จะไล่ป้ามกูช่วยด้วยวายชีตกไหยแล้วแกก็เสียหลักเบรกไม่ทันไงายหลังผึ่งตกจากบริเวณเนินดินลงไปกระทบพื้นน้ำตื้นๆขนาดโคนขาดังตูมสนัน่นตะลีตะเหลือกตะกายเกาะรากไม้ไว้ตัวเปรอะน้ำเปื้อนโคลนทั้งหัวหูดำมิดหมีไปหมดท่ามกลางเสียงหัวเราะ อ, อยู่คลื่นเคร่งทั้งคณะ อูทาและพาโตสองคนช่วยกันส่งมือไปให้แกจับและเหนียวเอาตัวต่อเท่าขึ้นมาได้เวลนั้นตบมือหัวร้อตัวงอบุญคำสลัดโครนออกจากหัวรับเอาผ้าขามาขึ้นมาเช็ดแล้วยิ้มแยแยบนอกฝากไว้ก่อนเหอะแมมที่คนมากๆแล้วก็ทำเป็นไล่ฟัดบุญคำดีนักเอาไว้ให้รับผู้รับตาใครสักหน่อยเหอะไอคาจะไลป่ปั้มเสียให้เข็ด เบลไม่ได้ยินแกพูดว่าอย่างไงคงหัวเราะชอบอกชอบใจอยู่เช่นนั้นแล้วถอยกลับมายัางคณะก่อนจะเข้ามาถึงกลุ่มได้โบกมือเรียกจันทร์เกิดและเสยให้ตามเข้ามาด้วยแล้วถามขึ้นต่อหน้าพักพวกทุกคนเพื่อทดสอบความมั่นใจในความรู้สึกของคนเหล่านั้นขึ้นว่าทั้งสามคนนี่แหละพอจะบอกได้ไหมว่าทิศเหนืออยู่ทางด้านไหนพวกเรากําลั ง, งงงอยู่ในเรื่องทิศเพราะแสงตะวันก็ไม่มีให้สังเกตในขณะนี้ โดยไม่ต้องนัดแน ก, กันไว้เลยพรานพื้นเมืองของรพินทั้งสามคนชี้ไปทางด้านที่เห็นทิวขุนเขายันเมฆอยู่นั้นตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าทิศเหนืออยู่ทางด้านโน้นแหม่มพรานใหญ่บอกเหรอทําไมพรานใหญ่จะต้องบอกพวกจันทร์เป็นพรานป่ามาตลอดทั้งชีวิตถ้าหลงทิศเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเป็นพรานอีกแล้วถ้างั้นตะวันขึ้นทางด้านไหน คริสถามมาเบาๆยังต้องการจะสอบให้แน่ชัดลงไปจันหันหน้าไปทางทิวเขาการแขนออกแล้วกระเดกทางเตือนแขนขวาให้เห็นดวงตะวันขึ้นทางด้านนี้แหม่มคริสหล่อนก้มศีรษะลงและหันมาบอกกับพักพวกทุกคนด้วยอาการสงบว่าไม่น่าจะมีข้อสงสัยอะไรแล้วพวกนี้แม่นทิศทุกคน และเมื่อทิวเขาเหล่านั้นอยู่ทางทิศเหนือแน่นอนก็แปลว่ามันจะต้องเป็นทิวปีครุฑอย่างที่พรานใหญ่ว่าชนิดที่ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนไปได้อิซาเบลเอ่ยปากอนุญาตให้ทั้งสามคนไปนั่งพักกันตามสบายคงมีแต่ฝ่ายของหล่อนกับพรานใหญ่เท่านั้นซึ่งบัดนี้เขามานั่งรวมกลุ่มกันฝ่ายนายจ้างทั้งหมดบัดนี้เริ่มเต็มไปด้วยกำลังใจและความหวัง สแตนลี่ส่งซิก้าเล็กชุดหนึ่งสามมวนยื่นไปให้รพินขอแสดงความยินดีด้วยเกรตแมนคุณยิ่งใหญ่จริงๆในอาณาจักรของป่าดงพงไพรคุณตัดลัดทางมาได้ยังไงนะถึงสามารถย่นระยะได้เกินคาดเช่นนี้